วันนี้เป็นวันธรรมสุวนนะแรงที่5ข้ามเดือนยี่ซึ่งเดือนพอดีจะเคลื่องหนึ่งข้ามเดือนสามตามอันดับวันเวลาไวมากชีวิตเราก็รื่องโรยไปตามวันเวลาด้วยไม่มีอะไรที่แปลกระหลาดนักหนาวในประการสภาพในกามเหตุ พระพุทธจสอนธรรมชาตินั่นเองให้เราดูธรรมชาติต้นหมากลับมาออกดอกออกผลแล้วก็โรยล่างห่างไกลไม่อีไมันอะไรเฉดข <c oughs> ึ้นติดต่อไปเหมนจิตใจของเรานั้นบางครั้งมันก็เฉดขึ้นบางครั้งมันก็เหี่วแห้บางครั้งมันก็แรงงั้นใจ ปวเพียวอยู่ในใจตลอดกาลเวลาก็ะาจะจ้าสองอย่างนั้นเราไม่มีโอกาสที่จะทําให้ตกสายตลอดไปตลอดวันตลอดคืนได้อารมณ์อของเรานี่มันเปลี่ยนแปลงและผันถวนไปตลอดเวลาเมื่อเกิดแต่เจ็บตังมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะและการสรภาพของเราเองเดียเ๋ยวก็อากาศร้อนเดีเ๋ยวก็อากาศหนาว แล้วก็หมอกนมฆติดบังราตรีประจันแล้วก็เปิดล่องไม่คงที่คงว่าดคงสอบฉันใดก็ันะจิตใจของเราต็้งแต่เช้ามาถึงเวลาสี่มงเปิดแล้วอารมณ์เราคงว่าคงสอบเที่ยงตค ง, คงที่หมายไม่มีเลยท่านทัง้งหลาย แถมอารมณ์ไม่กลมแถมชีวิตนี้ก็เหยืแห้งอาการสภาพก็อลรมณ์อย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะแน่นอนเข้าขัดจัดการทำกรร ต, ตอนของโลกุเจ้าที่แน่อนอนสุดด้วยักจากรเพราะการจะเข้าถึงเทพบุทธศาสตร์นั้นเราจะเข้าถึงที่ไหนรัตนากายยึดเก่ยวทางใายตลอดชีวิตนั้น ยึดเหนี่ยวทางใจอย่างไรทําให้จุ้นทาให้ถิ่ใจให้ได้ักนักกายยึดเหนี่ยทางกายตลอดชีวิตตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไ ป, ปบางคนก็ไม่็นใจในหน้าที่การงานเหล่านี้ถ้าจะได้อะไรมาเป็นหลักฐานก็หามีไม้บางคนอ่อนกํำลังเงงไปแะ้เราก็อายุมาก <c oughs> ร่างกายก็อ่อนเพลียไปตามสภาพท้องเวลาที่ยึดมันก็อ่อนก็ปกก็เปียไปตามสภาพเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปไม่มีอะไรคงที่คงวาคงสอกต่อไปได้แล้วนะับบัดนี้ทัานทั้งหลายอย่าจำามา <c oughs> ะพุทธจ้าสอนนะ้อนหนาโลกเหยมนุษย์นี้อะไรจะเป็นหลักฐานไม่มีอะไรมั่นคง แต่จะการได้นีกานมีจังเอ๋หาในความเที่ยงตรงไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็เสี่ยมไปตั้งอยู่แล้วก็เสี่อมไปไม่มีอะไรที่จะคงที่คงวาได้ต่อไปชีวิตนี้ก็หมดไปตามส ภ, ภาพวัยเราก็หมดไปอย่างนี้ทํ า, าไม่าวนั้นคือเสื่อมหมดไปอย่างหน้าใจหายการเวลาก็หมดไปด้วย การเปลว่า เ, เวลาเวลาหมดไปแล้วชีวิตเราก็หมดไปตามกาลเวลาที่ไม่มีโอกาสเรียกกลับคืนได้หรือแต่วัยจะเสื่อมไปเสื่อมไปนับวันจะเท่าแสแลแก่ลาไปตามอันดับไม่มีอะไรที่แน่นอนได้แต่ทั้งหลายอยูไม่นึกเลยว่าเราจะคิดตัวอย่างละว่ากายทั้งหลายนี่ก็เกิดมาไม่เหมือนกัน <c oughs> มีเวรมีกรรมไม่เหมือนกันแต่เราเกิดมาเหมือนกันมีหูมีตามีปากมีฟันมดียกันเพศแต่แยกหญิงชายจะเป็นหญิงจะเป็นชายใช่ไหมแต่ลึกส่วนลึกนั้นก็แย่ก่อริษยากการกระทำของตนบางคนก็เกิดมามีเวรมีกรรมใบบาทฤทธิจจ์ผลิตมนุษย์ตลอดเลยการการมม็มีบางคนก็เป็นโรคมะเร็ง บางคนก็เป็นโรคอัมาพาตอัมพฤกษนะ์ความตกใจในีไม่ได้เพราไม่มีหลักเกณฑ์ในชีวิตของเขาเหลนะ่านั้นคนเราในขราสากรุโลกนี้เกิดมาในโลกไม่มีะระดีสัต ว, ว่าโลกเราอยู่อาศัยโลกไปวันหนึ่งเท่านั้นแต่โลกวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นพันอนาศัยอะไรบ้านเรือนเนี่ยเราอาศัยอะไรมีเสามีคือมีแต่ มีพื้นพอแทจริงเราอาศัยพื้นอาศัยรังคารนะแต่เสาก็มีความหมายอลักฐานของคนที่จิตใจบางคนก็ไม่เอาจิตใจก็ไม่มั่นคงขาดสติขาวปัญญาขาวสมาธิ <c oughs> ไหนเลยแล้วจะเกิดความมั่นคงและถาวนคิด ไ, ได้ไหล่ะ ก็เกิดมามีสากรลกนี่มีอะไรไปคิที่พึ่งบะมีรายยุ่เหยวทางใจบ้างแต่ราจะไปพึ่งใครดีเดี๋ยวต้ายแลกขวาพ่อแม่ก็ล้มหายใาจาัน บ, บนับวันแล้วเท่าชะเลแต่เชะลาไปตามาดับเดินไมได้ <c oughs> ตอนนอนตลอดจนตรงกดจนกว่าจะถึงความตายมีแบบยท่านทั้งหลายเองเราไม่เคยคิดในคนี้ ว่าเราจะอะไรเป็นที่พึ่งทางใจบ้างอะไรเป็นตัวตนอะไรเป็นเนื้อหนังเข้าใจอย่างนั้นกันทัน้งนั้นอยู่แต่ความพ่อเท็จจริงนั้นเราเกิดมาเนี่ยเพื่อช่วยตัวเองทแท้จตัตวะโลกก็เป็นไปตามกรรมอย่างนี้กรรมจากการกระทําของเราไม่ใช่ใครมาทำให้เราทําตัวเองตลอดต้นจนตายตั้งแต่ปานาที่จิบาท ถึงพลามือไหลอยู่ในกฎแห่งกรรมจากการกระทำของเรานั่นชัดเจนมากไม่มีใครช่วยเราได้เราก็ไม่สามาร <c oughs> ถจะไปช่วยบุคคลอื่อนได้เช่นเดียวกันแต่พระพิตรจ่าก็ช่วยเราไม่ได้ทาไมพระพิตรจ่าช่วยเราไม่ได้เพราะเหตุใดครับถ้า เ, น, าเนื่องจากว่าท่านแม่แนวบอกคันทางเดินให้เราเอง เราไม่เดินเราก็ไม่ถึงที่หมายตายทางตามวัตถุประสงค์ดัเราไม่มีการปฏิบัติธรรมไม่เดินตามสายตรงสายเอีของพระพุทธเจ้าที่แนะนํำให้เราเราก็ไม่สามารถจะเดินไปถึงที่หมายได้ขาด จ, าจุติลาจลชีวิตชีวิตอับเฉาชีวิตอับจนลายตรงคนไา้สาระขาดสติขาดปัญญาขาดวิชาความรู้ไม่มีวิชาก็ขเขา <c oughs> ไม่มีความนึกกับเขาไหนเลยลราจะเดินตรงตรงที่คงวาคงศักดิก็จะไม่ดีแล้วท่ <c oughs> านสาวิชนที่ตะใบขัดทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่เชียนหมายความว่าเราต้องไปพึ่งพระพุทธเจา้าแต่พระพุทธเจ้าสอนชาวโลกให้พนทุกข์ตวันโลกเองยอมเป็นไปตามกรรมไม่มีความหมายอยื่นเพก็เป็นไปตามกรรมที่เราทำไว้กุศลาธรรมะกุศลาธรรมะ ทำดีแยกดีการทั่วโดยทั่วตาตัวอยู่ในตั ว, ตวเองในตัวของตัวเองไม่มีใครที่จะทำให้แต่เราก็ตูนชนี้ยังไม่หาที่พึ่งได้ตั้งแต่คลอดมาจากท้องแม่ก็หาที่พึ่งไมาา่ได้ก็ต้องช่วยตัวเองตลอดเลยการมานะับปีนี้เนะี่ยคลอดมาจากท้องแม่ที่เจ้าสอนชัดเกจนสอนละเอียดด้วยแม่ก็ต้องเอานมให้ยัดปากลูก ทำไม่ไดดูดนี่ก็ต้องตายใครช่วยใครกันเนี้ยแม่เอาข้าวก็ชลวยบดท้าวแ้วกระปองลูกออกไปถ้าเราไม่รับทานเราจะอยู่ได้ไหมก็คงจะอยู่ไม่ได้จึงจะเรียนวัยฉะนัสาขึ้นมาแม่ขอาไปฝากรงเรียนเราไม่เรียนมันจะรู้ไหมไม่ดูจะเห็นไม่ฟังนี่จะได้ยิน ไม่ทำนี่กับเป็นอาจารย์กลัมคืงน่ยมเรียกเป็แก่ตายเพื่อนก็ไม่ได้ผลกระดิกใจความให้จังกลงเราต้องช่วยตัวเองช่ไหผู้ปฏิบัติธรรมที่รักของเราท่านมาปฏิบัติท่านช่วยตัวเองไหมไม่จะไปบ่นบานสางเก่าหลวงพ่อช่วยด้วยหลวงพ่อช่วยปวดเมื่อยช่วยไม่ได้แล้วเราต้องช่วยตัวเองใช่ไหมปวดเวมืเอเ่อยอแล้วก็กําหนดปวดหนอปวดหนอช่วยตัวเองได้นหม ช่วยตัวเองไม่ได้ก็แย่มากเลว้ยงที่สุดแล้จะไปบนบานฐานกล่าวเอาผีเจ้ามันเข้าชงจะช่วยวเรา ไ, ได้ยอย่างไรเราเพื่อเจ้าจึงต้องช่วยตัวเองอย่างนี้มาตลอดช่วยเท้าวโลกให้พ้นทุกข์แนะนวทางให้เท้าวโลกเดินตามเส้นกลางสายกลาสงสายเอกของพระองค์ที่สอนมาด้วยสติปัญญาตรีถ้าความดีด้วยตนเองคนอื่นสร้างมาอยาก <c oughs> ไหนเลยเราจะไปคนเห็นเขาสร้างความดีกับเราสวัส ด, ดีมีชัยกันอยู่ตลอดรายการไม่มีการว่าสวัส ด, ดีแต่มีการสร้างความดีกับตัวเองและกับตัวเองนีก่กาสร้างความดีเป็นแบบอย่างพฤติการเแสยงออกให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราได้มีศีลมีธรรมมีกายาณมิตรมีกายานุธรรมบ้างหรือไม่แตทําได้ขึ้นตัวเองได้ไหมขึ้นไม่ได้เลย การเจริญทะกษะมฐาน vida, ตอน sure, 對對้องการจะช่วยตัวเองตายให้ม well. ันตายเมื on, ่อปวดกองกําหนดต้องช่วยตัวเองให้ได้ไม่มีใครเข้ามาช่วยเราหรอกเนาะสามีเอ๋อภรรยาอยู่ด้วยการร่วมสมัครสมารรักใคร่ช่วยกันได้นะแต่จำเป็นสามีต้องตายจากโรคภัยนี้ภรรยาจะเดินขาเดินแท่งไว้ให้อยู่ได้นะแต่วิญญาณจะไปถึงกระถางทัศน์ จากการกระทำของสามีมาเาจะให้สามีเพลินให้มาอยู่ด้วยการตลอดไปคงไม่ได้คิดโงให้ตกเกิดก็เกิดที่สุดถ้าเล้าปลงไม่ตกแล้วนั้นไหนเลยอะ้รอยู่ในโลกนี้หล่ะจตัตวาโลกเราอาศัยโลกอยู่ทั่วคราวใช่ไหมโลกมนุษย์ที่เราอยู่เราเกิดมาจากท้องแม่ลืมตาปากก็เห็นโลกหนละเห็นทกันเห็นลนะอาทิตย์ เห็นดวงดาวในในท้องฟ้าเห็นชื่อดินเห็นแม่ธ ร, รณีจะเหงื่อยู่แล้วหรือยังสังขางรทางลูกกลางก็วิกูเห็นแม่ธ ร, รณีแล้วเห็นแม่พระครงาาคาตั้งใจเริ่มคลอดแต่มาจะคับพาเพราะมันด่าว่าคงคาก็มาอาบน้ําแม่ก็มาล้างระล้างให้เราสะอาดหมดจดเยี่ยงสบายลูกร้อนรุ่มอกรุ่นใจมาแม่ก็พาชายพัดก็มาพัชให้ลูก ได้ลงเย็นไปซุกก็หลอดมาผ่อแม่แม่หรือแม่จ๋าแม่ธรณีแม่สะเป่งคาบางคนไม่มองเห็นเลยไม่เดีเคยคิดแม่จะพาชายพัดเราควรจะทําบุญอุทิศให้ไหมวันพรุ่งนี้เราจะทําบุญให้แม่ธรณีแม่สะเปงคาเนี่ยประสีเนี่ยไปตกแม่นกเนี่ดาลาเป็นด้เราเน้นขึ้นข้าวแตงข้าวแดงแตงร้อน เราได้รับประทานไปนั่นใไม่ถึงบุญคุณไหมไม่ประสบไม่มีเลยตาใครนั่กรรมฐ า, านได้ฉันจะนึกขอนก่อนเป็นอันดับแรกนึกว่าเราเกิดมาเนี่ยอาศัยใครทึ่งพาสาศัยใครไหมดืม่มน้ำไผ่ลมอยู่สำคัญมากกรตามาจึงทําบุญให้ขอให้พวกเรากำรม้ทุกสี่มกกระลัง่งพระ่วงเจ้าสุโคณทาเลขาธา น, นีเป็นผู้ทําบุญเป็นคนแระ ทำบุญให้ดินฟ้ากะกลายสุดีบาดเจเนตในป้าลงมาน้ำ บ, บัดนี้กระพายชายพัดถี่พยายุไล่ลมพลาตันเจเนตในพัดเข้าบา้านเ่ะแต่เลมพลาตันลมพยุลายนอกตัวไม่ใช่ละไอล้ลมพายุลไลในตัวเองเนี่ยมันมากมากยเยอเกินทําลายตัวเองตลอดเลยกลางถ้าเราทําบุญทุนทานให้แก่แม่กระพายชายพัดเย็นนอกเย็นใน มีสติปัญญานั่นคือระกรรมฐ า, านทําให้เราเย็ยในใจเย็นนอกเย็นในเย็นจิตเย็นใจกขึ้นข้างแลมเราก็ได้รู้เรื่องว่าเดือนหนาคือข้างถึกขางแลมก็เดือนนิดเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมทังนี้แต่โย ด, ดแต่ตัวท่านเองเป็นการข้อคิดให้เรานึกพิจา ร, รณาดูตัวเองอย่างนี้เป็นต้นจะไปพึ่งโลกหรือก็แลหาย ไม่มีการที่จะพึ่งลูกได้ทั้งหลายเลยเลี้ยงลูกเอา บ, บุญเถอะอย่าคุณตอบแทนกับลูกคุณเลยเพราะเรามีลูกห้าคนอาศัยคนไหนพ่อแม่จะต้องดูว่าัคนเล็กอาศัยคนเล็กดูอย่าหมายใจจะอาศัยพึ่งลูกเลยเลี้ยงเอา บ, บุญให้เขาเป็นด็เตอร์ให้เขามีหลักฐานมีงานทําเธอต่อเธอที่สุดแต่เราก็ในที่สุดจะต้องตายพึ่งตัวเองแน่นอน ของถ่วยตัวเองตลอดเลยกาเป็นอมพลษกอมพาดเช็ดกอนเช็ดอะไรเทไรเนี่ยใครก็จะมาช่วยใครก็จะมาช่วยละ่ะนอกเหนือจากเราช่วยตัวเองมีกรรมฐานช่วยตัวเองได้แน่นอนแต่ยังไม่สนใจการปฏิบัติกรรมฐานเป็นการแก้ปัญหาชีวิตการกระทาให้สติปัญญาเกิดขึ้นรู้สูสสส้เชื่อมเหลื่อมปัญญาสา ม, มารถจะแก้ปัญหาได้สมปารถ น, นาทุกการ ออกมาอย่างนี้ชัดเจนมากเราก็จะพึ่งใครละเลี้ยงลูกอาบุญแทะบางบ้านก็อาบุญไม่ได้เลยเสียใจลูกทำให้พ่อแม่ต้องน้นาตาตกติดยาตลอดเลกลาและมาฆ่าพ่าขอค่าแม่อีกมีในส้ อ, องคนท้องคนไทยทุกวันนี้น่าเป็นห่วงมากถ้าพ่อแม่ที่เคารพมาสวดมนต์ไหว้ารพาหุมากาน่าเจเลมวิปัสสนาธรรมฐาน กำแรงสติสปัฏฐานสู่ทางสายเอคือปัจจุบันธรรม อ, อดีจไม่เอาอนาโคบไม่เอาปัจจุบันเป็นเลี่ยนของหลังคือข้อคลิกจรนะนาเทียกว่ า, วากฎจราจรชีวิตพราไม่ธเจ้าสอนตรงมี้เปงทางสายเอสทางสายกลางคือสายกลางอดีจอย่าลื้เพื่อ น, นเด็กคนอื่นจะคิดคที่ชอบช้ำเดี๋ยวนี้กําหนดจุดเดี๋ยวกหนดรูหนอรูหนอ อย่าไปคิดเรื่องอดีตมันมันหมดไปแล้วมันหมดไปแล้วไปคิดทําไมอนาคตเอย่าไปกลับมันขันมาตายผิดหวังเราจะเสียใจยเกิดชีวิตไปคิดทําไมคิดถึงขณะนี้จะต้องทําให้เสร็จขณะนี้เราเดินจงกรมเนี่ยขณะนี้กําลังฟังเทศฟังธรรมต้องตั้งใจฟังทําายธรรมในความตั้งใจทํำในความเคารพทำในสิ่งสงบทำในความถูกต้องตั้งใจแปลว่าตั้งใจฟังนี่ปัจจุบัน เดี๋ยวต้องได้รู้เรื่องฟังเล้วคิดระดุดสร้างสรรค์ที่เริ่มในงานการที่รอดีจัดการใดได้ความคิดกับปัญญาหลอบดูนากรการสังขามจะได้อ่านตัวออกและบอกตัวได้ใช่ัวเป็นจะได้เห็นตัวตายจะได้ขายที่ถือจะได้เบรรลุชอบจะได้ประกอบคู่โฉได้ผลเป็นหลักฐานล้ำค่าอย่างนี้ตนทางสายอื่นคืสายกลางให้เกินการเขาตีเส้นให้เราแล้วเนี่ยว่าสายทางโดยคกับชีวิต เราไม่พลาดผิดในสังคมงนี่ยรับรองท่านเดินทางถูกต้องไม่ผิดเนี่ยเดินทางสายตรงสายกลางอาดีตไม่เอาอน า, าคตเนี่ยแต่จะไปเลยเลยประเกิดทุกประการจิตใจก็ประเะสริฐนะแต่จะมีทรัพย์จะมีเสื่อเสียงความรักเกิดขึ้นในตัวท่านในปัจจุบันนะ้ปัจจุบันมีทรัพย์ปัจจุบันมีชื่อเสียงปัจจุบันมีความรักความนับถือหน้าหรตา เมื่อเหตุใดละ่ะเรามีทรัพย์ถ้าไม่มีท ร, รกพุ์กุลธมบัตเนี่ยไม่สรวงสบายดวยการทั้งปวงประการที่สองเราไม่มีชื่อเสียงคนในวายจัไม่มีสัจกังเวมาตาวาจา้าแต่ประการใดนคนไม่ไวาจักลำบากใจที่อยู่ในเรื่องมนุษย์เหลือเกินนอกเหนือจากนั้นแล้วความรักมีไหมไม่เคยรักใครเลย ไม่มีใครเมตตากับใครแต่ประการใดไหนเลยเนาะสามีก็บอกเขียนจะมีลําบมีกองเขียร์ละใครเขาจะมาช่วยหรืล่ะขนาดเราก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้แล้วไหนเลยนะคนอื่นจะช่วยเราเพราะเราไม่ช่วยเองท่านทั้งหลายเอ ย, ยสู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านโปรดเลิกการฟังตั้งนี้เราจะช่วยใครต้องเขาช่วยวด้วยนะ เขาช่วยตัวเองไม่ได้อยากไปช่วยกับเสี้ยหน่วยจึกของเราในชีิในปัจจุบัิเขาช่วยตัวเองไม่ได้ยกตัวอย่างให้เห็นมีเงินสักหมื่นหนึ่งให้เขาไปห้าพันอ่าวเขาก็หมดแล้วก็หมดเ้าให้ไปยืมเขาก็หมดแล้วก็หมดจนหมดหมื่นท่านจะไปจะพึ่งใครช่วยเขาไปแล้ ว, ข เ, วเขาช่วยตัวเองไม่ได้ดไม่พร ะ, ะ, ะพุทธเจ้าสอนชักเจรงมากแต่เราไม่อยอมมาพลิกชะนาคัน ที่จะนาแต่ผิวเผินไม่สืดเ จ, จาะให้ลึกนักรรมฐ า, านต้องสืบสจาะ่อยลึกคิดหนอที่ลิ้นติด้วยคิดออกมาเป็นตัวตนเป็นลูกมันทำนำมามธรรมคิดออกมาเป็นลูกปัญญาไม่ยากคิดออกมาเป็นกิเลสกิเหตุทําลายตัวเองตลอดเลการถ้าอารมณ์ไม่ดีเนะี่ยคิดออกมาไม่ดีถ้าอารมณ์ดีจะคิดออกมาเป็นตัวปัญญากาเล้นเสียการเช้ามา หน่วยจุกเสียหมดทั้งบ่าครอบครัวหาความถูกความเจริญคึกไม่ได้มีโอกาสจะมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนารรมสถาปน์ได้แน่นะนนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องไข ค, ควนข้นโยนิโสมนานจิตใจกำหนดยืนหนอก้าวครั้งให้ได้เป็นการทบทวนจุดข้างล่าเพราะจุดนี้เป็นธรรมชาติจากที่น่านอารมณ์รับรู้ลงไม่ได้เหมือนเท่ากับุดเสียน มีถึงร้อยอยู่ที่ดเด็กกระแสอารมณ์โลภะมูนตตม่นจิตแต่โทสะมู่นจิตสองโมหะมู่นจิตสองไม่อยู่ในตัวแล้วครับแต่เราจะเข้าข้างไหนจะอยู่อย่างไรก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยปฏิบัติธรรมจะรู้เลื่อนเกิดเกิดประการใดเคยจะโยติผลแต่ประการใดมีจุดมุ่งหมายอันนั้นแต่เราเสด็จเกาจอลึกทบทวนชีวิตยืนห้าครั้ง เดชาลงมานะคะัท่านตาตะโจตาโจท่านตานะครลงมาเตหะจะได้รู้นในใจเราเป็นยังไร้จะไปอ่านคนอื่นเนี่ยอ่านตัวไม่ออกบอกก็ไม่ได้ใช่ในเป็นจะไปอ่านคนอื่นออกหรืออ่านภาษาฝรั่งเศสยังไม่ออกถึงเอเบเสเดก็มายุ่เรื่องไม่รู้เรื่องรู้ภาษาพอเราอ่านตัวออกบอกตัวหน้าใช้ตัวเป็นและเห็นตัวตายทันทีก็จะ้ไปอ่านคนอื่นออกบ้างกลายมาเห็นหนอเห็นนี่ปัญญา หัวไม่หนีที่สามไนีต้องตายคืนนี้ไม่ถึกละตายคืนนี้แน่ไม่พลาดนั่เหตุใดถ้าเราเห็นหัวเราอยู่แล้วปฏิปัญญาอยู่ที่ตัวเราทองแสงสว่างออกไปด้วยปัญญาแสงสว่างของสมาธิภาวนาเรี้ยวกับตัวปัญญาหลอกรู้เหตุผลข้อเท็จจริงเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะหน่ะคือปัจจุบันขนะนี้นั้นปฏิบัติอย่าไปคิด เรามาเนี่ยก็เป็นห้าวันนี้จะเป็นเจ็ดวันด้วยสามนาประการนั่งหน้าต่างตาทําไดอ้อย่าไปนอนอย่าไปนอนไปนอนทําไมเสียงานเวลาหมดไปแล้วเรียกคืนได้ไนหะแล้วไปนั่งคุยกันทาไมฮนะไปนั่งคุยกันเสียอารมณ์อารมณ์เสียไปแล้วก็พันทั้งหลายกรรมฐ า, านไม่ถึงเป็นลิปัตชนึกพุ่งข้าในนาประการ ลมเสียเลยไปท้าวความหลังกันทำไมมาแล้วก็มาคุยกันเนี่ยที่วัดแต่มาต้องขอเจริญพรอย่างซึ้งใจลูกกระพายเธอเป็นยังไงลูกกระพายฉันไม่เขา้าท่าเขาลูกกระพยมันนินทาวายลูกกระพายเแม่ผัวมันนินาทาพ่อแม่ผัวนินทาลูกกระพาก่อนถ้าแม่ผัวดีข้าหน่อยอนะ่ะลองพ่อครับลูกกระพายฉันดีด้วยเดี๋ยวมันเข้าไปข้าวหูมันนาข้ามันก็ไม่นินทาแม่ผัวเหมือนแต่ก่อนนัน ไม่พ น, นไม่เชื่อไม่เป็นไรไม่เชื่อไม่เป็นไรชัดเจนมันหนากรรมาฐานต้องการจะมาพิสูจน์ตัวเองพาไปพิสูจคุคนอื่นได้ยังไงอาชุ ง, ง้อเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจยังไงเนี่ิสูจตัวเองอ่านตัวให้ออกมาอ่านตัวเองไม่จะอ่านคนอื่นมันเสียหน่วยเิเสียลม เสียเวลามาแค่7วันไม่ได้อะไรเล ย, เล ย, เดยลได้ไรไหมสุงโอคินน้อยคู่แต่น้อยคินน้อยไม่ใช่ว่าห่วงข้าวไม่ห่วงมาวานมา58เนี่ยย8่สก็สอบใหญ่เห็นสอบเล็กเท่าไหร่ให้ช่ว ค, คิดหน่อยไม่ได้ ลวงเลี้ยงขามหลงพิมทำงานเมื่อวานเมื่อวานข้ามยังไงพลมาอยู่ที่วัดนี้เขาขามไม่เคยนกลับเขาขามไม่มีหมดมข้ามนาเมื่อวานเป็นคันรถแบกกันแย่เลยยิงให้ยิงได้ไหมขอฝากไว้ขอให้ท่านตั้งใจปฏิบัติไม่จองเอาเงินมาทำบุญ แต่กางไม่ก้อมาแหวนเพชรแหวนอะไรยาวมาของมีค่ายาวมาเดียวนะมันหายไปแล้วมันทําให้เดือดร้อนอะตมาไม่เหมือนเมื่อก่อนทำเมื่ก่อนเนี่ยตมาให้มันเลยเอาเพชรมาเป็นกิโลหายใช่เลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วไม่คุณไม่ถุนหัวเราเงินได้ฝากอเมริกาว่าเป็นเงินร้อยพันหมื่นล้านเลยละ ม, มาปัดนี้ไอแขกไม่นา่าขึ้นบินชนแบงค์หรอ หมดแต่แรงและราคาทีใชโยะนะเนอะใจไหมของมีค่ายามากระตุ้กนกระจายงานพามาค่านมันลดก็พอแล้วมันต้องมาทาบุญนักแม่ต้องเลียก่าอาหารใช่ไหมวันนี้ไม่เรียกนะพอใจไหมชงอ๊อฟเนี่ยถ้มามาให้ใช้เองดีกว่าสบายมากเดี๋ยวพวกนียจะทำบุญท่านในธรณีทุกปีโมกกลาทุกปีไม่เคยขาด แม่ธรณีขึ้นมาแล้วสำบุญให้แม่ธรณีแม่ประเกงทาแม่ประสีมาศแม่ลกบดาราเม่อนเนี้มีแม่ประศดี๋ยวนี้เด็กลุกมารูกจากแม่ประศไม่มีเลยนคนโบราณเ้าบอกว่าวันนี้วันศุกร์แม่มุกับแม่จนันทำขนมทอดมันของอ่างข้าว้ า, าปากขาวตกลตะานผ้าปากขาวตกลงตะลานผ้าคาขึ้นบา่า นาลักเอวคลึงแม่พึ่งกับแม่บวัวอากาศ่า่งทัวแทงทั่วกายถึงทุกนาปูผ้ารงกราบนั่งเวลากราบไปสาเหวเหลืองเล็กเดือใ ห, ใหญ่ต่อทใา้หังมากแม่สีกันตาแม่บวัวทุกฝักเข้าหนักเข้าทองเข้าเข้าหนักเข้าเบาและเข้าทองมาลามรองร่วมบาดกอกรูและแห้งแอบแฝงธนานาใต้น า, า, นาเพียงึงเตี้ยงกันมามาเถิดแม่มาแม่สีมาตกยศพราลาัย เชิญจะเข้าลุงเข้ากลางสวัสดีมีค่ะแต่ไม่ไม่ดีเลยไม่มีเลยถามว่าคนรู้หมายรู้ไหมไม่รู้ไม่มีการเคารพแม่ประสบไร้เกินแม่ประสบไปทุกวนันโค่นโบราณเนี่ยต้องไหว้แม่ประสบแล้วโคนเนี่ยจะทานข้าวเขาต้องยกมือไหว้ทิ้งนางวัดเมทานัางให้ทานแล้วก็ขอให้แม่ประสบแม่พระพาลาแม่โธรนีแม่พ้นข่ายทรงช่วยข้าพเจ้า ขอหัวิกรรมนะแบบ น, นี้แล้วก็ทางข้าวแต่นี้ไม่มีอายถึงเอาเลยกุ้งเผาตะชูเลยกูเผาตะชูก็ก ไ, ไม่เป็นไรไม่เด็ดพิจารณาอาหารเลยสือพระสงเนี่ยต้องพิจารณาอาหารปฏิสังขาโยนโ็มีแต่ปลาตังปฏิเสยวันี้ก็จเฉยๆต้องพิจารณาอาหารให้หลขบขอบก่ก็จะทานไปมันโตกกัเโตกไหมแล้วอาหารแบบนี้ มันทำลายร่างกายมันเป็นแถลงเลกหรือเปล่าอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าห ม, มายความว่าถึงฐานเลยไม่มีสติแต่กรรมฐานนี่ต้องมีสติทุกอนิยบทจะยืนนี่จะเดินจะนั่งจะนอนเหือซ้ายเหลือขวา ม, มีสติเข้าไว้กําหนดไว้ก่อนรับรองท่านจะมีปัญญาในตัวปัญญาสิกมาในตัวความนี้ํารำเขินใจศึกษาเองมันจะเกิดปัญญาในตัวได้แน่นอน ปัญญานอกตัวนี้ช่วยทันธรดาเลยนะถ้าจะมาแนงกรรมาฐานต้องการจะมีปัญญาในตัวจะได้ช่วยธรรมดาปัญญานอกตัวช่วยไข่ไม่ได้เพราบขาดรักเรามาแนงกรรมาฐานไม่ใช่มาบวชตีพรามวัดโน้นวัดนี้แหลแจกจองลีงกตารกระเมพักกระถิ่ น, นบั้งตาบั้งอะไรทำนงนี้วันนี้ไม่มีนะใครจะมาแจกไม่ได้เราจะแจกมาแจกเราจะทําบุญเองอย่าไปแจกผู้ปฏิบัติท่าไม่เสียอลรมณ์ อาจารมีแจกเราเลยเราทำบุญเยอะใส่กองละหมื่นตรงละหมื่นนะขส่กองละหมื่นหมดเรื่องไปเราไม่มีอย่างนั้นการปฏิบัติกรรมฐานมันแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างแน่ทักยังไม่พอขาวสติขาดปัญญามองคนในแง่ไม่ดูเลยคนที่มาอา่างา เมืองต่างบ้านกันมามาอยู่รวมกันแล้วก็เข้าสู่ภาวะเป็นความเป็นปกติมีศิลมีสติท่าม่กัลยามีศิลปมีธรรมถ้าทําได้อย่างนี้เนี่ยเราดูคนเดินมาเนี่ยศีรษะลงไปลเท้าปายเท้าศีรษะมันจะย้อนมาแบอกเราว่าคนานี้นิสัยไม่ดีพฤติกรรมไม่ดีเดินผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้แต่เราต้องหนิงต้องเพราหนิงเราก็นนทนไม่ได้ตาลบผลเสียเวลาไปเป จะไปวิจัยคนอื่นทําไมมาเสียวเวลางานขาดเหตุผลของงานการที่เราทำไว้ต้องพิจารณาตัวเองดีชั่วประธานไดอยู่ที่ตัวเองทั้งหมดเราช่วยตัวเองไม่ได้ไหนเลยใครคนอื่นอาจจะช่วยเราได้เราพึ่งตัวเองไม่ได้ไหนเลยแตคนอื่นเขาจะให้เราพึ่งดะหมดโอกาสาที่ดีได้าาการเจริญธากกรรมาฐานไม่เกิของง่ายอยากมากแต่ก็ไม่ของของยากเกินเกินไป ขอให้มาหน้าบาปบานวิเยเยทุกขมัจเจติบุคคลร่วงทุกไปด่าเพราะความเพียนนา้าถือสันติประลางทุขังถือเยื่อความสงบไม่มีแล้วเรามีความสงบในตัวเองมีความสงบมากเทลายปัญญาเกิดมากนะถ้าเราไม่มีความสงบกุ้งสร้างมากเทลายความสงบนั้นหายไปปัญญาไม่เกิดมีแต่กิเลส น, นาฏการเข้ามาสิงและ อยู่ในจิตใจเขาเรียกว่าดิศาถิสิงในจิตใจคนนั้นเลยขาดเหตุผลไม่ไร้ปัญญาขาดความยาาความบาเกิดขึ้นในชิตของเขาเหล่านั้นโดยจะนั้นการสงบนี่สำคัญมากผู้ขมูลและเสนาสนานในิศายปภัญชาเป็นต้นเรามาบวชเนี่ยในครมะต้องการลูกขมูลหาสงบมันจะมาหาความหายนะใส่ตนไม่สงบเลย ถึงหาว่าใครเขาจะพูดกันเราจะากพูดเราก็ตั้งหน้าเดินตรงกลมหน้าตลอดคืนยังลุกตลอดบรนอยางามเดี๋ยวต้องได้ภายในเจ็ดวันแน่นอนแต่ทาได้ไหมแต่ทําได้แต่มาว่าเห็นผลภายในเจ็ดวันว่าอะไรเกิดปัญญาอะไรไล่ปัญญาทะลุปัญหาเขาตัวเองว่าเราสฆ่าปัญหาอะไรบ้างในครอบครัวนั้นมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยในครอบครัวสามีภรรยา ก็ไม่มีศุขแต่สามีภรรยามาปฏิบัติกรรมฐานด้วยกันนะจะมีความเจริญในสติเจริญในปัญญาจะแก้ไขปัญหาได้แนวความคิดจะเหมือนกันเพราะเข้าแนวเดียวกันในเส้นบรรทัดเดินแถวแนวเหลี่ยมเรียกว่าจะปวดจรา จ, จรชีวิตชีวิตจะรุ่งเรืองและรุ่งโรจน์ในระหว่างสามีภรรยาไม่มีบุธดาจะมาจากสวรรค์แกว้วสะอาดใจ มาปราดมาเกิดมีความสะอาในบ้านนี้บ้านไหนโศกปลดสำนโลกมาเกิดในบ้านนั้นสามีภรรยาไม่สมบริดีธซึ่งกันและกันนายแหญ่ความรักกระปุกอันเลอลึกซึ่งรักนี้รักเล่เททุบายรักไม่เป็นความจริงในสิ่งทุกขอันเลยสามีภรรยานั้นอยู่ด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขจัประการใดกับเป็นนักบวช ด, ด้วยกัน เรียกว่าหมวดทายวาจาริตตั้งสติสัมัญญานั่งเจริญกรรมฐานทั่วตาหงมาตาทุกวันบ้านนั้นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพอแน่นอนเช่นขวาแางหนอต้องหยุดอย่าไปเดินพลึบพลึบไปอย่างนี้ขวาแางหนอนหยุดใจแยางหนอนหยุดจะได้รู้ว่าจิตมันดับอย่างไงจิตมันเกิดดับตรงไหนอย่างไรอะไรเป็นโลกอะไรเป็นนามจะได้อ่านออกบอกได้ใจ่มแรงจะพลึบพลึบไอย่างนี้จะไปรู้อะไรนะ อาคุงอดูหน่อยนะอยากให้เดินสักแล้วเดินเนี่ยไม่จะไปเดินอย่างนี้เดินท่าเดียวที่เราเคยเดินเดินยาวแค่ไหนเอาแค่นั้นแต่ให้ช้าลงอย่าให้วันเท่านั้นเองนะไม่ส่งไปดัดเดินอย่างนี้เดี๋ยเดินอย่างนี้ทําไปทํามาเริ่มโครุมเลยแล้วจะไปโทษใครคาสติคาปัญญา อาจารย์ขอจเจริญพรผู้ปฏิบัติกรรมาฐานได้ทำไมสวดมนต์ไว้พระตาเบี้ยวตาแหกทำแล้วไม่หายเกิคุณวันิดาเป็นต้นสวดมนต์ให้ได้สมาธิ 80% รับรองโรคหายหมดเป็นมะเร็งยังหายหูหนวกหูตึงมาหายแต่ไม่ทำการตามขาดสมาธิขาดจิตจรภาวนาเลยอ่านไปแล้วก็ทิ้งไปเลย ้าสวสวดถ้าจกเพียนสวจบไม่เห็นผล ต, นต้องสวดติดต่อกันไปเลยให้มีสมาธิเข้าแปดสิบเปอร์เซ็นเอากาคตาหนึ่งบวกหนึ่งต่อจะได้ผลอา น, นิสงส์ชัดเห็นชัดเจนปัจจัติตามโดยดูตัวเองดูรู้ได้เฉพาะตัวเราเท่านะั้นแต่เราจะขยันมันเพียนเรียนว่าตายเกิดจุลิิศขยันมันเพียนจะเป็นนักเรียนก็ต่างขยันเรียนหนังสือ มั่นคงต่อหน้าพะกรารงานดูการรับผิดชอบเราไม่รับผิดชอบอะไรเลยจะได้อะไรจะไม่ได้เลยเ <c oughs> ด, ดินขอขอฝาผู้ปฏิบัติธรรมด้วยวันนี้เราก็เขียนไม่ดีมันเป็นค่าย <c oughs> แต่ก็ต้องสู้มันทั้งหลายอย่าได้คิดโอทูในหัจใจเรามาแล้วตั้งใจทําจะเจ็ดวันหรือจะห้าวันหรือจะสิบวันแลแต่ศรัทธาถ้ามันมีศรัทธา อย่ามาดีวกว่าไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะไม่มีฉันทะไม่มีความพอใจในการปฏิบัติสร้างความดีมันจะได้อะไรเกิดขึ้นกอหามไม่ได้คนที่มีศรัทธาหนักก็เอาเบาก็ชูความรู้ก็ดีจะได้มีปัญญาคนไม่มีศรัทธานเนี่ยบงังคับกันมากหรือแค่นั้นมาสร้างความดีเป็นไปไม่ได้ไม่ได้เล ย, เ, ลยเพราะความดีฉันจะยากมากมันจะคงมากความดี เป็นศัตชีวิตของเราทุกคนไม่อยากจะทราบความดีเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้มาง่ายๆหรอความดีต้ อ, องลงทุนความลาบากมากมายความทั่วครอบคลุมความส บ, บ, บายกินสบายนอนกํายนอนสบายกันมาทั่วโดวยไม่รู้ตัวออกมางี้ชัดเจนความทั่วไม่รู้ตัวนี่แหลท่านสาธุชนผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายไม่ใช่ของหน้า ถ้าทานปลูกฝังตั้งศัทธาเชื่อมั่นในตัวเองท่านจะได้ผลทันทีจากการสวบนมทาหุมะกาเช่นอรณิพิมเป็นประากฤฤาศติดมาให้วันนี้มาให้สองกล่อเมื่อวันก่อนพวกชาวต่างประเทศมาขอไปหลายเล่มที่คุณอ้อยังอยู่ไหมเป็นประากาศิดหมดให้ชาวที่พุทิหนูเนี่ยเาพิมมาให้ อรนีตพิมมาให้แต่พิมพ์วิทูนนลน่ารักทั้งคู่ลูกสาวก็น่ารักชายก็น่ารักน่ารักทั้งคู่พิมเป็นภาษาสิทธิ์มาให้เลยสวดแยกเขาอ่านหนังสือไทยเยอะๆเหยนไหมไเล่คนไทยอย่าอายเาา้าหนึ่งเป็นความตุ้งเหนไหมหลวงพ่อกับความตุ้งแฉ่เดียวกันแฉ่ธรรมแต่เดียวกว็หนูเราเป็นพี่น้องกัน แต่หลวงพ่อไม่สามารถจะส่งภาษากวางต้องให้เธอได้เพราะเธอคงไม่รู้เรื่องราะหลวงพ่อมันขับมันโฉมตัดโฉมไหมเหนื่อยวันนี้มะคืนไม่ได้นอนแต่เราแจ้งมึง <c oughs> <c oughs> จะไปรถก็ดีนะหนูอุสาพิมพหนังสือมาให้ได้บุญเยอะ ใครแจกใครเขาก็ไปอ่ า, านภาษาอังกฤษถ้าก็สวัวก็มนพาหุ่มกาได้เราก็ได้บุญด้วยทำให้เรปเรามีปัญญาสติปัญญาเรียนนัสือเก่งได้ชิตร้ายขี้หนูได้นอนได้ชิตร้ายสอบได้ชิตร้ายที่เจ็ดนี่ที่ห้าเดียวกันเหรอนี่หนูเล็ก ฉันอะไรฮะฮะปะหกเลียงเก่งมากอ่ะตอบได้ที่หนึ่งเลยเหร อ, หร อ, หรอนอะนะต่อไปเอาที่หนึ่ง น, น ะ, นะได้ไหมตรวจมลทายุมตาครับตวดได้ไหม นายไม่พูดสิจมฮะไม่จรงนี้ละหน่อยต้องเอาให้หน่อยตเอาให้ได้นะมาตอนนี้มาว่าให้หลวงปู่ฟังหลวงกูจะให้สักทางเอาไหมทำไมไม่เอาเฮ้ เพระเจริญพรผู้ปฏิบัติธรรมก็สรุปียความว่าคนที่มีบุญวัฒนามาเองไม่ต้องเชิญคนไร้บุญวัฒนาเอารถไปลาาช่างมาชุดยังมาไม่ได้ไม่สนกายในความดีอันนี้ต้องมาเป็นหลักศาสนาที่สูงที่สุดคือปฏิบัติธรรมหรือภิธรรมเจตคัมภีร์ใช้ทุนเพื่อใช้ค่าน้านมของแม่ได้ มีเดชมีเจตสิกลูปนีผ่านเนี่ยคือปฏิบัติกรรมฐานนีเดชมีเจตสิกรูปนีผ่านแทนคุณแม่ได้ไม่งั้นทุกเจ้าจะโปรดพุทธมารดาตลอดใจมาสามเดือนทไไําไมดอกก็คงไม่รู้ทริงไม่สนใจในหน้าที่จะตาย ง, งานหนุนจะได้อะไรกับเดี๋ยวก็ต่างโหนต่างแยกกันไปยจางคนต่างตาไม่มีอะไรเลยไม่ได้อะไรไปแม่ เรื่องดีชั่วประการใดมาจากแม่จะมาทิ้งทำบุญให้แม่พระพงคาแม่พระตรณีแม่สภายชายพัดอย่าให้เกิดพายุร้ายมาต้องบ้านช่องของเาราผู้ที่แท้ทาแม่สภายมีตัวมีกนเขาเป็นใครเป็นลูกพระพายบ้างใครตอบได้มั้งใครเป็นลูกพระพายอาชุ ง, งอ ใครเป็นลูกพระพายทันทีเหรอทันทีเป็นลูกพระพายเหเนะี่ยใครเป็นลูกพระพายข้าไม่รู้จักตายคืออารมณ์ใครต้องตอบห้ะยาทีหลังถามต้องตอบได้ธรรมานใครจะธรรมานลูกพระพายใช่ั้มลูกอารมณ์ อารมมีตายไหมอาชงอ อ, อารมณ์ตายไหมคือจิตจิตตายไหมจิตนี่ตายไหมอะไรตายเยจิตไม่ตายกัลลาล่างปาัจิตก็ไปอยู่สังสารที่การก็ทําุ่ง ต, เงตนเองมาเข้าใจไหม ทั้งข่าวร่างกายไปไม่ได้ออกไปไม่ได้ต้องเป็นเท่าทานเป็นท่าทั้งสี่ตามดินน้ำไปลมไปจังแม่ทรมิตวิญญาณที่ทำดีทำทั่วติดตัวไปเท่า น, นั้นถ้าจะพูดทางลอกนะที่เราเล่นกันใหน้เห็นอย่าลืมหานุมานุจักไหมนะอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนเนะีนะ ถึงจะพอมีไหมหนูเคยเห็นนันุมานที่ไหนนันุมานจะลี้ยงงรือเปลเี้ยงนะไหนวะ ขนจิตฮันุมานเป็นติดตัวลิงโลดเล่นโลดเล่นในไทยสมบัดแกลงตลอดรายการขึ้นจิตเป็นธรรมชาติตัวทีอ่านอรมรับอารมณ์ไม่ได้เหมือนเทพฤทธิ์เขียนมันไม่มีตายเนี่ยคือตัวหันุมานมันเป็นลิงจิดเราเป็นลิงไหมนะ เล้งอยู่ที่ไหนอะ <S <S เรื่องรามาเกียนไม่ใช่เรื่องเลียวไหลหนุ่ยพระรามคือธรรมะวินัยตัวพระพระรามเสียวเก้าอุ้มไปพุ่มเวยยตัวพระขาวเ้าอุ้มขาบสุทคือธรรมพิงธรรมและธรรมะวินัย พิเยกคือตัวสติบอกคลอนวิธีให้ดา่าทุกอย่างหนุมานเนี่ยรับภาษาคือจิตรับภาษาเขาไม่พักคือจิตแล้วนี่นแต่ที้ข่าเขาตอลอดไปเข้าใจไหมฟองเชื่อพิพภกนะรู้จักพิเภกไหมฮะอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่สตินะรู้เหมือนกันเหรอ พิเทกเป็นโกศีนะ้วศีนาเป็นไรฮะใครอบอกแนะฮะอ๋ะอหลวงพ่อเพิ่งรูง้วันนี้เองว่าศีนาเป็นภรรยาของพระลางเขาแต่งงานกันแล้วอย่างเนี่ย หมายว่าไงนั่นเขาเปรียบเทียบนานูนะเป็นกฎแห่งกรรมยากพันธะธรรมของเราก็เท พ, พีเป็นลิ ง, ล, ง ล, ลิงล่อลิงรานขาดสติมันเป็นที่คารับภาษาเขาตลอดถ้าเราไม่สติฉันไม่ฉันยักควบคุมไว้ได้นั่นแหละถึงจะเป็นตัวปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาได้ติดเป็นตัวลิงเพราะฉะนะั้นวันนี้เราพูดไม่ไหวแล้วเหนื่อย เสียงหมดก็ขอยุติในการแสดงว่าเองนี้ว่าการเจริญกรรมาฐานเป็การแก้ปัญหาชีวิแตแน่นอนกอขอยืนยันสองลูกกฎแห่งกรรมเมื่อาทากรรมเลยว่าสามปัญหาเกิดขึ้นแก้เฉพาะหน้าได้คือปัจจุบันอดีตไม่หรือฟื้นหนึ่งอื่นไม่พิจิต ร, รับทำนั่นแหละเป็นการแก้ปัญหาของเราเองใครจะมาแก้ปัญหาให้เราไม่ได้นอกเหนือจากเราตัวเราเองเท่านะั้นที่เราทํากรรมไว้ เราก็แก้ของเราย้าคนอื่นมาแก้ไม่ไดขอฝากผู้ปฏิบัติธรรมไว้ด้วยนักบัณฑิตตั้งใจปฏิบัติจึนน้อยนอนน้อ ย, อยพูดให้น้อยทําความเพียรในมันอย่าไปคุยกันเสียอารมณ์แต่เสียอารมณ์เนี่ยขาดสติไม่มีปัญญาทํายังไงก็ไม่ขึ้นยากแสนจะยากําเข็งใจตลอดในการขออนุญาตสาธุ ก, การแต่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านที่เราได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ฐานะดีฐานที่รองรับความดีไว้ใหญ่ทิ้งอย่าความดีไปทิ้งเสียฐานตัวนี้แต่ว่ารองรับความดีตื่นเรียกว่ากรรมฐานรับผิดชอบในหน้าที่ ก, การงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอความศุก ด, ดิ์สิิดีงจงมีแส่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านขอทุกท่านจงเจริญในอายุวันนาสุขาภิรัก ป, ปฏิพันธ์ญาสารสมบัติและเคลื่อนกิ น, ก า, นการใดสมความมุ่งมา่นตั้งใด้วยการพูกขึ้นนามแล้วโอกาสบัดนี้เทิน ขอเจริญพรทุกท่าน